บอกไม่เชื่ออย่าเชื่ออ่ะโดยอาการต่างต่าติบอย่างก็เลยจําได้แต่ตรงไม่เชื่อกลายเป็นไม่เชื่ออะไรสักอย่างเขาบอกว่านี้เป็นแม่เรานะเอ๊เชื่อได้ไหมนี่เป็นแม่นี้เป็นพ่อนี้เป็นลุงนี้เป็นป้านี้เป็นอาอ้าวฟังสูตรนี้มาแล้วจะปฏิบัติตามสูตรนี้ไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นถูกต้องไหมโอ้ทาอย่างนั้นเนี่ยเป็นคนก็จะเป็นไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไม่เชื่อขนาดนั้นเลย เพราะฉะนั้นในสูตรนี้ถ้าเรามีโอกาสเราก็ฟังตลอดสายแล้วเราจึงจะเข้าใจพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นอย่างดีข้อความในเกษะปุตตสูตรที่เรานิยมเรียกกันว่ากาลามสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองมูใหญ่สเสด็จจาริกไปในโกศนชนบทก็คือพองคก็บรรลุไปทนถึงเกศปุตตานิคมซึ่งเป็นที่อยู่ของมูชนชาวกาลามาโคด ทนชาวเกสปุตตานิคมได้ทราบว่าพระสมณโคโดมสักยะบุตรเสด็จออกผนวตจากสักยะสกุลสเสด็จมาถึงเกสปุตตนิคมแล้วก็กิติศัพท์อันงามของพระสมณโคโดมนั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันต์ก็คืออิติปิโสพระวารานั่นเอง เป็นพระาหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่ควรสุดได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทําให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว สอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพร้อมทั้งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระองค์เนี่ทรงทําให้แจ้งโลกโลกไหนโลกมีกี่อย่างโลกก็คือหนึ่งเรียกว่าสังขารโลกสัตวโลกโอกาสโลกแต่พระองค์ทรงเน้นพิเศษมากก็คือสังขารโลกพระองค์ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ให้รู้ตาม พระผู้มีพระภาคนั้นพระ อ, องค์ทรงแสดงธรรมภาเราะในเบื้องต้นภาเราะในท่ามกลางภาเราะในที่สุดประกาศพรมาจันพร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอรหันต์ผู้ไกลาจากกิเลสเห็นปานนั้นเนี่ยเป็นความดีคือพระ อ, องค์นั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์อันงามพอพระ อ, องค์จะเสด็จไปที่ไหนปับ๊บเนี่ยคนก็จะได้ข่าวได้คราว เมื่อคนได้รับข่าวคราวของพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะเข้าไปเฝ้าเพราะว่าใครๆก็อยากเห็นพระอรหันใช่ไหมการเห็นพระอรหันเนี่ยเป็นคุณงามความดีเป็นความพิเศษเป็นความประเสริฐพอชาวบ้านได้ข่าวกันอย่างนั้นแล้วก็พร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็กราบไหว้ตามอาการของผู้เลื่อมใสาบางคนนี่บอโอ้พระอรหันมาเนี่ยไปถึงก็กราบไหว้อย่างสนิทใจ บางพวกก็ไปถึงก็กล่าววาจาปราศัยพอสแสดงถึงความยินดีกระคายกับว่าได้ข่าวปั๊บก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางคนก็คุ้นเคยกันมากก็เคารพสัหน่อยบางคนก็คุ้นเคยน้อยก็ฟังสัหน่อยบางพวกไปถึงก็ยกมือประคองอัญเชิญบางพวกก็ประกาศชื่อประกาศโคตบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุล น, นี้และก็ต่างคนก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง บางพวกก็ไปถึงกันนั่งเฉยขันหมูชาวกาลามชนเกสะปุตานิคมนั้นนั่งเป็นปกติแล้วพอต่างคนไปถึงกันนั่งกันรเรียบร้อยหมดชาวบ้านก็เลยทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่ะเขาคือเล่าปัญหาที่ตัวเองประสบมาให้พระพุทธเจ้าฟังว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเนี่ยมาถึงเกสะปุตานิคมนี่สมณพราหมณ์พวกนั้น พูดแสดงแต่ถ้อยคําของตนเชิดชูให้เห็นว่าดีชอบควรจะเชื่อถือตามถ่ายเดียวเสร็จแล้วก็พูดคัดค้านข่มถ้อยคําของผู้อื่นคล้ายๆกับว่าในบรรดาลัษที่ทั้งหมดเนี่ยของชั้นดีที่สุดไม่มีของใครดีกว่านี้แล้วส ม, มณะพราหมณ์กลุ่มอื่นๆที่สอนไว้ผิดๆทั้งนั้นที่ถูกคือของชั้นส ม, มณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งมาถึงก็มาอย่างนี้เลยแต่นี้ส ม, มณะพราหมณ์พวกที่สองมาใหม่อีก ไอ้พวกเออเนี่ยสอนผิดๆไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่ายไปได้เชื่อนะคําสอนประเภทนั้นกลุ่มใหม่มาอีกบอกไอ้คาสอนที่ไอ้สมณพราหมณ์กลุ่มก่อเ น, นี่ยสอนผิดไอ้ที่ถูกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมณพราหมณ์ที่ผ่านหมู่บ้านนี้มาก็มาสอนลัทธิกันว่าเยอะเพราะฉะนั้นก็สอนกันเป็นทุกๆหมู่จนข่าพระองค์นี่มีความสงสัยไม่รู้ว่าท่านสามณะ เ, เหล่านี้เนี่ย ใครพูดจริงใครพูดเท็จอย่างเงี้ยมาหลายกลุ่มมากมันใกล้ยๆกับประเทศไทยเราอ่ะเนาะโอ้ท่านท่านศาสนาคริสต์เขาก็มาสอนเพราะว่ามาอย่างเงี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่อยู่ๆ อ, อิสลามก็มาสอนอีกอยู่ๆศาสนาพราหมณ์มาอีกโอ้เลยจะฟังเอาอยัางไงเนี่ยจะทํำยังไงดีสม่ไมถ้ามีคนมาปรึกษาปัญหาอย่างนี้กับเราอันนี้ก็เหมือนกันนะนะเขาว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของสมณะพราหมณ์ เวลาใครไปก็จะผ่านเผยแผ่รับที่ตัวเองไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปเผยแผ่รับที่ไว้หน่อยกลุ่มใหม่ไปเผยแผ่ลัที่ไปหน่อยทีนี้มันพูดไม่เหมือนกันสักคนอะ่ะกลุ่มที่หนึ่งเรขัดกับกลุ่มที่สองสองก็ขัดกับสา ม, สา ม, ส, ามสามก็ขัดกับสี่เนี่ยหัวนี่มันตีกันยุ่งไปหมดเลยนะจะทํำยังไงดีไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าควรแล้วที่ท่านจะสงสัยความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุอันควรสงสัยจริงโอ้แหมมันก็น่าสงสัยอะเนาะ คนนี้ก็ว่าไปอย่างคนนั้นก็ว่าไปอย่างว่ากันคนละทีสองทีเนี่ยหัวเนี่ยหมุนเลยอ่ะควรเนี่ยสองควรสงสัยปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตัดว่ามาอนุสเวนะหนึ่งท่านจะได้เชื่อโดยได้ตามฟังกันมาพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อนะเพราะอาศัยการฟังกันมาซึ่งท่านอธิบายว่าค่อยคําที่พูดกันมาทีนี้ต่อไปว่าสอง อย่าได้เชื่อถือโดยลำดับสืบสืบกันมามาปรำปรายะฟังแบบปรำปราเนี่ยคนโน้นว่ามาคนนั้นว่ามาว่ามาโอ้สืบสืบกันมาแล้วอย่าไปเชื่อแบบนั้นมาอิติกิริยายะว่าไ ง, งอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินกันอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามาปิตกะสัมปทานีนะอย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำรา แล้วก็มาตั ก, กเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเอาแล้วก็มาเนยะเหตุอย่าได้เชื่อถือโดยเนยะที่คาดคะเนมาอาการะปริวิตเตนะย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการมา ท, ทิินิชานักคันดยายาได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องการหรือถูกกันกับลับทีิของตนสิ่งที่เชื่อนั้นจะต้องทนต่อการพิสูจน์ ยังจะเชื่อไม่ใช่ว่าโอ้ท่านพูดได้เหมือนเราเปี้ยเลยเลยเชื่อท่านเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านจะต้องเรียกว่าสิ่งนั้นต้องทนต่อการพิสูจน์แล้วก็ต่อไปนะมาผัปรูปตายะยาได้เชื่อถือว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้แม่คนพูดฟังแล้วน่าเชื่อมากหรือน้นแล้วก็สุดท้ายมาสมนโนครุยาได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา ถ้าใครฟังไม่จบนี่ก็จะเหมือนเด็กชายปีดีเลยนะไม่เชื่อใครสักอย่างเลยอ่ะ <c oughs> ครูบาอาจารย์ก็ไม่เชื่อพ่อแม่ใครก็ฟังไม่เชื่อตหรับตําราใครก็ไม่เชื่อสักอย่างถ้าฟังไม่จบนี่เอ๊คําสอนผู้าศาสนาสอนให้เชื่ออะไรเลยเหรอถ้าฟังไม่จบแต่สาระสําคัญที่ว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองนั่นแหลว่าตรงที่สาระจริงๆว่าเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแหลว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษ ธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมะนั้นเสียคือที่เราฟังเนี่ยอย่าไปเชื่อเอาแบบโดยที่หลักลอยแบบนั้นแต่ให้ท่านไข่ครควนด้วยตนเองก่อนมีโทษไหมสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราต้องถามดูเลยนะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเชื่อหนึ่งมีโทษไหม สองผู้รู้หรือบัณฑิตเขาติเตียนไหมถ้าหากว่าประพฤติแล้วได้รับประโยชน์หรือเปล่าหรือปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อทุกข์ไหมอันนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นไอข้างบนนี้เป็นข้อความที่ท่านกล่าวว่าให้เอาไว้เป็นอย่าเอาหลักอันนั้นมาคอยตัดสินว่าเอ้อใช่เลยเพราะตรงกับหัวข้อสิบอย่างเนี่ยใช่เลยต้องถูกแน่นอนแต่ตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใคร่ควรก่อนมีโทษหรือเปล่า อันนี้คือประเด็นนะมีโทษไหมบันดิตติเตียนไหมแล้วก็ถ้าประพฤติเต็มแล้วมีประโยชน์ไหมให้ผลเป็นอย่างไรอันั้นต้องไขควณให้ดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถือเอาโดยอาการสิบอย่างมีถือโดยฟังการตามกันมาเป็นต้นให้พิจารณาดูด้วยตนเองแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียอะไรที่ควรเว้นก็ควรเว้นไปอย่างนี้แล้วจะทรงแนะนําให้กาลามชน ได้ปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่ควรนั้นด้วยตนเองจะต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจึงตรัดยกโลภโทสะแล้วก็โมหะขึ้นถามให้กาลามาชนเนี่ยถามต่อไปว่าท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไงมัความรูปหรือว่าโลภเมื่อเกิดขึ้นภายในบุรุษย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ถ้าใครมีโลภดีไม โลภะถ้าเกิดขึ้นในใจของผู้ใดเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ให้ตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นโลภะหรือเป็นโทสะหรือเป็นโมหะใช่ไหมถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำเราเชื่ออยู่นี่เป็นโลภะโลภะนั้นเกิดขึ้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กาลามาชนก็เลยตอบว่าโลภะนั้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะาโลภะเกิดขึ้นนี่ไม่เป็นประโยชน์เลยใช่ไหม ไม่เป็นประโยชน์ยังไงโลภะเป็นประโยชน์ในโลกนี้ไหมเป็นประโยชน์ในโลกหน้าไหมเป็นประโยชน์เพื่อพระนิพพานไหมพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่าบุรุษผู้โลภแล้วคนที่ถูกโลภะครอบงามแล้วอันความโลภครอบงามีใจอันความโลภยึดไว้รอบแล้วคือทันโลภมากๆแล้วเนี่ยข่าสัตว์มีชีวิตบ้างโลภมากๆก็ทําให้ข่าก็ได้ หรือว่าลักขโมยถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ได้ถึงภรรยาผู้อื่นก็ได้ถ้าโลภแล้วก็ผิดปิ้นผิดธรรมผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเพราะความโลภนั่นแหละทําให้เกิดการพูดเท็จก็ได้หรือว่าชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นบ้างคือตัวเองเนี่ยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จกินเหล้าเมายาพอตัวเองโลภภาพแบบนี้มากๆเข้าชวนคนอื่นมาเป็นอย่างนั้นด้วยสิ่งใด เป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกแก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้โลภชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นเนี่ยข้อ น, นี้จริงหรือไม่ก็คือถามว่าคนโลภเนี่ยทําช่วเองด้วยใช่ไหมชักชวนให้คนอื่นทําช่วยด้วยใช่ไหยชาวกลามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าเออแล้วความโกรธโธสะเมื่อเกิดขึ้นภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ ใคยโกรธไหมก็ถามว่าเออความโกรธที่เกิดขึ้นในใจมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ในโลกนี้ไหมมีประโยชน์ในโลกหน้าไหมมีประโยชน์ในโลกทั้งสองไ้ยมีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไหมชาวกรามชนก็ตอบว่าโทสะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นประโยชน์หรอกโทสะนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบุรุษอันโทสะประทุษรายแล้ว อันโทสะครอบงามแล้วมีใจอันโทสะยึดไว้รอบแล้วถูกโทสะนี่มันครอบงามย่าเยียข่าสัตว์มีชีวิตบ้างโกรธจริงๆก็ฆ่าสัตว์บ้างถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้แล้วบ้างผิดในภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างสิ่งใดเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกแก่ผู้อื่นสิ้นกาลนาน ผู้ที่โทสะปะทุสลายแล้วก็ชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นข้อนี้จริงหรือไม่ถ้าตัวเองโกรธแล้วเนี่ยทําชั่วใช่ไหมแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นทําชั่วได้อย่างนั้นจริงใช่ไหมชาวปาลามชนก็บอกว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเออแล้วความหลงอ่ะความหลงเมื่อเกิดขึ้นในภายในของบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือเปิดเผนเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์โมหะโมหะนี่เกิดและมีประโยชน์ไหมก็ต้องถามโมหะคืออะไรก่อนใช่ไหม โมหะก็คือความหลงความไม่รู้โมหะนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้ทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ความชั่วไม่น่าได้แต่เพราะโมหะนี่มันก็เลยให้ทําชั่วความดีเป็นสิ่งที่น่าได้มากแต่โมหะเนี่ยมันเกิดขึ้นทําให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโมหะเมื่อเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ ขาก็ลามชนก็บอกว่าโมหะนั้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าข้าบุรุษผู้หลงแล้วอันความหลงครอบงำมีใจอันความหลงยึดไว้รอบแล้วข้าสัตว์มีชีวิตถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ผิดในภรรยาผู้อื่นพูดเท็จชักชวนคนอื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งใดเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกแก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้หลงแล้วชักชวนผู้อื่นในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ทางโง่แล้วก็ทําช่วยด้วยตัวเองด้วยใช่ไหม ชักชวนคนอื่นในการทําชั่วพูดชั่วไปด้วยใช่ไหมบอกจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านจะสําคัญความข้อ น, นั้นเป็นฉชนัยธรรมะเหล่านั้นเป็นกุศลหรืออกุศลโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเราตอบเรตอบว่าไงโลภะโทสะโมหะเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลพระเจ้าค่ะอกุศลนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศล อากุศลก็คือศัตรูของกุศลถ้าอากุศลเกิดแล้วกุศลไม่เกิดเป็นธรรมะฝ่ายดําแล้วอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษพระพุทธเจ้าค่าถ้าหากว่ามีโทษแล้วผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สารเสวนพระพุทธเจ้ายกย่องหรือตำมีอกุศลเนี่ยโลภะโทสะโมหะบอกว่าท่านผู้รู้ติเตียนพระเจ้าค่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ หรือไม่ท่านเห็นความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าใครทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะมากๆเนี่ยเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ใช่ไหมหรือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์ท่านเข้าใจยังไงบอกอย่างนั้นเลยชาวบ้านก็ตอบว่าใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ความเห็นของข้าพระพุทธเจ้าในข้อนี้เป็นอย่างนี้ โลพาโทสาวมูหามไม่ดีอยู่แล้วเนาะถ้าใครประพฤติมากทำมากก็เป็นไปเพื่อความเสียหายเป็นไปเพื่อทุกข์โทษอย่างเดียวพระองค์ ก, ก็ตรัสต่อไปว่าเราได้กล่าวคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือเอาโดยการตามฟังกันมาอย่าได้เชื่อโดยตามลําดับสืบสืบกันมาอย่าได้เชื่อโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อกันโดยอ้างตำรา อย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนยะคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอัตฐารอย่าได้เชื่อถือโดยความชอบใจว่าต้องกลับลัทธิของตนพูดเหมือนเราเปี๊ยเลยอะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อแบบนั้นอย่าได้เชื่อถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้เชื่อถือโดยความนับถือว่าผู้นี้สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา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 เธอไม่ให้เชื่อคําสอนใดๆก็ตามที่เป็นไปด้วยอํานาจของโลภะคําสอนต่างๆที่หรือคําสอนที่เป็นไปด้วยอํานาจของโทสะคําสอนใดที่เป็นไปด้วยอํานาจของโมหะเพราะฉะนั้นก็คือให้ใช้ปัญญาใไข้ควรพิจิจารณาว่าอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรผู้รู้ติเตียนหรือสารเสริญเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแยกแยะเรียนรู้ให้ดีให้เข้าใจมาถึงก็อย่าเชื่อเลยไม่เชื่อเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ไม่เชื่อเลยนะถ้าคนเกิดมาบอกอู้ฉันไม่เชื่ออะไรสักอย่างนะท้าวไม่จะได้เป็นผู้เป็นคนกับเขาหรือเปล่า <c oughs> เขาไม่ปล่อยให้อยู่ในบ้านเมืองแน่นอนหรอนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะเขาไม่ปล่อยให้อยู่บ้านเมืองแน่นอนเลยเชื่อไหมเขาบอกฆ่าสัตว์บาปนะคนนั้นไม่เชื่อก็เลยฆ่าคน ข้าคุณพูดเลยเนี่ยอยู่คุกแน่นอนก็ไม่ปล่อยแน่ไปฆ่าผิดหลักปิดแรงหรือว่าคำพูดอะไรก็เหมือนกันอ่ะกลายเป็นไม่เชื่อเป็นหัวแข็งไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะบาปบุญคุณโทษพ่อแม่อะไรสักอย่างไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวคนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้เป็นคนไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรานับถือ น, น, นั้นเนี่ยนะเป็นไปกับโลภะไหมเป็นไปกับโทสะไหมเป็นไปกับโมหะไหม ประพฤติแล้วได้รับประโยชน์ได้รับคุณค่ามีสาระไม้ให้เอาตรงนั้นเป็นประมาณพระภูมีพระภาคก็ทรงแนะนำกัลามชนให้ได้พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรเว้นนั้นด้วยตนเองอย่างนี้แล้วก็ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้ด้วยตนเองแล้วในสิ่งที่ควรทาต่อไปว่าสิ่งที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไม่ควรทำแต่ให้ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโลภะโทสะโมหะว่า ท่านอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามสืบสืบกันมาอย่าได้เชื่อถือโดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าได้เชื่อถือโดยนัยคือการคาดคะเนอย่าได้เชื่อถือโดยการตึกตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตน อย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแล้วว่าธร ร, รมะเหล่านี้เป็นกุศลต้องให้รู้นะเพื่อหรือไม่เชื่อก็ตามสำคัญที่สุดต้องรู้ว่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ถ้าเป็นกุศลก็ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมะเหล่านี้ควรประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อ น, นั้นก็คือควรเอาตามนั้นน่ะควรประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกุศลว่างั้นเด้อสิ่งที่เป็นกุศลคืออะไรคืออะโลพาอโลภาคือความไม่โลภไม่ใช่โลภะอโทสะคือความไม่โกรธหรือประเภทเมตตา อะโมหะความไม่หลงแล้วก็ถามไปว่าอโลภาเนี่ยนะความไม่โลภอะโลภาเนี่ยเป็นกุศลอนะเกิดขึ้นในภายในแห่งบุรุษเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อะโลพาอะโทสาอะโมหะเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็บอกอะโลพาอะโทสาอโมหะนั่นอะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์พระเจ้าค่ะใช่ไหมอะโลภาอะโทสาอะโมหะนี่เป็นกุศลใช่ไหม เมื่อกุศลนั้นจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เขบอกว่าบุรุษผู้ไม่โลภคนที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยหรือไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงํามีใจอันความไม่โลภยึดไว้รอบก็ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคนถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ไม่ฆ่าสัตว์เมื่อไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ผิดในภรรยาของคนอื่นไม่พูดเท็จ แล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยงดเว้นจากความชั่วเหล่านั้นด้วยสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้นั้นสิ้นกาลนานผู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะชักชวนผู้อื่นในข้อนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะและพระองค์ก็ถามต่อไปว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทําเหล่านี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลหรืออกุศล เป็นกุศลถ้าเป็นกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้สารเสริญผู้รู้สารเสริญเนาะใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขหรือไม่ถ้าใครปฏิบัติตามอำนาจของอะโลพะอะโทสะอะ โ, โมหะปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขใช่หรือไม่ท่านเข้าใจยังไงก็บอกอย่างนั้นชาวบ้านก็ตอบว่า ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขความเห็นของขาพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าคำใดว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้ถือเอาโดยลำดับสืบๆกันมาอย่าได้ถือเอาโดยความเตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา ยาได้ถือโดยนิยะคือการคาดคะเนยาได้ถือโดยความตรึกตามอาการยาได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนยาได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ยาได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา <ST PM> เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแล ว, ว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ท่านผู้รู้สา ร, รเสริญ ธรรมะเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมด้วยธรรมะเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นดังนี้คํานั้นเราอาศัยความข้อนี้แล่กล่าวแล้วในหลักการฟังตรงนี้ก็ต้องให้เราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเชื่อ <c oughs> เป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษผู้รู้สารเสริญหรือตำหนิเป็นต้นนะฮะเอาตรงนั้นเป็นประมาณ ทีนี้พระองค์ก็ตรัสสอนต่อไปว่าทรงแนะนําให้กัลาม์ชนใช้ปัญญาพิจารณาเห็นด้วยตนเองแล้วทําสิ่งที่ควรทําอย่างนี้แล้วทรงแสดงอานิสงส์อันชนผู้ปฏิบัติอย่างนั้นคือแสดงอนิสงส์ของการปฏิบัติที่ประพฤติตามอะโลภะอโทสะและอะโมหะแสดงถึงการปฏิบัติตามความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่จะพึงถึงได้ผู้ใดก็ตามถ้าปฏิบัติ ด้วยอะโลพะคือความไม่ยึดติดปฏิบัติ ด, ด้วยอโทสะไม่โกรธปฏิบัติ ด, ด้วยอมโมหะคือความไม่หลงก็บอกดังนี้ว่าอริยาสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทปราศจากความหลงอย่างนี้มีสติรู้รอบครอบตรงนี้นะสาระในคำสอนของพระผู้มีพระภาคคืออะไรมีสติรู้รอบครอบเสร็จแล้วก็มีใจประกอบด้วยเมตตาเมตตาก็คือ เมตตาก็คือความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนความไม่ดูร้ายความไม่ประทุษร้ายปรารถนาจะให้หมูสัตว์ได้รับความสุขทั่วหน้าไปได้ยนินนะเขาบอกว่าแม่ที่มีความหวังดีต่อลูกฉันใดผู้ที่มีเมตตาก็จะเมตตาแบบนั้นแหละมีใจประกอบไปด้วยกรุณาคือปรารถนาให้หมูสัตว์เนี่ยพ้นจากทุกทั่วหน้ามีใจประกอบด้วยกรุณาก็เหมือนกับเราเห็นลูกน้อยของเราป่วยไขยอ่ะนะ แต่แล้วเราก็นึกเห็นใจเขาอ่ะเอ๊ะจะช่วยยังไงนั้นจิตใจที่คิดแบบนั้นแหละลักษณะของกรุณาหรือว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตามุทิตาก็คือร่าเริงต่อสมบัติที่สัตว์อื่นได้เห็นเขาได้ดีก็ยินดีไปกับเขาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาคือตั้งใจเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างไหนอุเบกขาก็คือวางใจในความเป็นกลางเขาเรียกว่า ลักษณะของอุเบกขาก็คือเหมือนกับคนที่ขับเกวียนนะะถ้าขับเกวียนเนี่ยสมมุติถ้าเกวียนมันเดินไปดีเนี่ยนะเดินไปสม่ําเสมอเป็นต้นเนี่ยเขาจะไม่กระตุ้นเขาจะไม่จับเชือกจะไม่ดึงจะไม่อะไรวะปล่อยไปตามสบายว่าลักษณะนั้นของอุเบกขาอันผู้ที่เจริญอุเบกหาก็คือมีใจเหมือนแผ่นดินนะะใจที่ไม่กระทบกระเทือนไม่วันไว้อะไรทักอย่างเลยนะ อย่างรักษาสุขภาพจิตได้เหมือนเดิมคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนที่มีอุเบกขาแล้วก็แผ่อัปมัญญาพรหมวิหารคือแผ่พรหมวิหารทั้งสี่ไปเนี่ยนะทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไปตลอดทิศที่หนึ่งเจริญเมตตาไปในทิศที่หนึ่งก็คือทิศข้างหน้าทิศข้างหลังทิศข้างซ้ายทิศข้างขวาทิศข้างบนทิศข้างล่างมีใจประกอบไปด้วยกรุณาเจริญไปในทิศข้างบนข้างล่าง ทางขวางมีใจประกอบไปด้วยมุทิตามีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาอันไพบูนเต็มที่คือเจริญพรหมวิหารสีเนี่ยแผ่ไปในสรรพสัตว์ท่วนทุกหน้าว่า ง, งั้นมีใจมีจิตใหญ่มีสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์เป็นการแผ่เมตตาที่ไปในในสรรพสัตว์ที่กว้างขวางไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่อปมัญญาพรหมวิหารตลอดโลกอันมีสัตว์ทั้งปวงในที่ทั้งปวง ด้วยความเป็นผู้มีใจในสัตว์ทั้งปวงทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดังนี้อยู่เสมออริยส า, าวกนั้นมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้ก็คือคนที่เจริญพรหมหานแบบนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้ามองอย่างนี้มีจิตหมดจดอย่างนี้เธอได้ความอุ่นใจสีประการในชาตินี้ถ้าใครเจริญพรมหมฐานสีมากๆจะอุ่นใจสี่อย่าง ความอุนใจสี่อย่างของการเจริญพรหมวิหารคืออะไรอุนใจที่หนึ่งว่าถ้าโลกเบื้องหน้ามีอยู่ผลแห่งกรรมดีที่สัตวรร์ทำดีทําชั่วมีอยู่ข้อนี้เป็นฐานะเรียกว่าสถานที่ตั้งก็คือฐานะที่จะเป็นได้คือเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุนใจอันนี้อริยสาวกได้แล้วข้อที่หนึ่งจะได้ข้อที่หนึ่งใช่ไหมถ้าบุญบาปมีจริง เราเจริญพรหมิหารไวแล้วเราก็ทำบุญไวแล้วใช่ผลของบุญให้ผลเป็นสุขแน่นอนอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจที่หนึ่งความอุ่นใจที่สองว่าถ้าโลกหน้าไม่มีผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีเราก็จะต้องรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีความลำบากไม่มีทุกมีแต่สุขชาตินี้อันนี้เป็นความอุ่นใจนี้อริยาสาวกได้แล้วเป็นประการที่สองถึงบุญบาปมันไม่มีจริงอ่ะนะ สมมติบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีแต่เราอยู่เป็นสุขไหมถ้ามีใจประกอบไปด้วยพรหมิหารเราก็อยู่เป็นสุขแล้วใช่ไหมเพราะเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจข้อที่สองถึงบุญบาปไม่มีเราก็มีความสุขอยู่แล้วชาตินี้จะได้รับความอุ่นใจข้อที่สามอีกว่าถ้าเมื่อบุคคลทําบาปบาปเชื่อว่าเป็นอันทำ เราไม่ได้คิดบาปแก่ใครๆไหนเลยทุกจะมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทำบาปดังนี้ความอุ่นใจนี้อริยะสาวกได้แล้วเป็นที่สามโอถ้าบาปมีจริงนะเอะเราก็ไม่ได้ทำบาปเราจะต้องไปเดือดร้อนทำไมเหมือนกับคุกตารางคุกตารางเขาเอาไว้ใส่คนช่วยใช่ไหม